อาหากว่าเขามีความทุกข์ความกังวลเราต้องการไปเจรจาธุรกิจอะไรบางอย่างแต่ว่าเขาเป็นคนที่มีความที่มีความทุกข์ความกังวลที่เระแวงบุคคลก็ ข, ขอให้อธิษฐานจิตอย่างนี้ลงไปในดวงหน้าของเราแล้วก็โยงไปถึงความรู้สึกนึกิดดวงตาของเขา ทัศนคติอารมณ์ของเขาเราก็แปรไปควบคุมไปสลายความรู้สึกอย่างนั้นไม่ให้เกิดขึ้นด้วยความหมายในใจว่าความรู้สึกอย่างนั้นที่เกิดขึ้นกับเขาต่อเราเนี่ยมันทําลายประโยชน์ของเขาด้วยทําลายประโยชน์ของเราด้วยเพราะสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์นันก็จะไม่ใช่ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายสิ่งที่ ให้ประโยชน์ก็ะจะให้ประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายในแง่ของประโยชน์ที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมและเราอาจจะเพิ่มความรู้สึกที่จะพึงเกิดขึ้นแก่ผู้พบปะเราลงไปหลายๆอย่างทั้งที่เป็นความรู้สึกโดยตรงทักษะคติโดยตรงหรือโดยอ้อมตัวหลัก ตัวลองเช่นความรู้สึกอบหุ่นสำหรับบางคนที่ต้องการความอบอุ่นหรือความรู้สึกเป็นสุขโล่งเบาหรือความรู้สึกแช่มชื่นสดใส เบาใจคลายกังวลหรือแม้แต่ความเข้าใจสิ่งที่เขาเข้าใจไม่ได้เห็นด้วยไม่ได้คอยตามไม่ได้ซึ่งเป็นสมรรถภาพทางสติปัญญาเมื่อ สนธนาระเราเห็นหน้าเราที่ท้ายแววของความฉลาดความระวางกระจ่างก็สามารถที่จะทำให้มีผลเป็นตบะในทางเครือกูลปัญญาแก่ผู้อื่นได้จากหลักตรงนี้เราจึงพบว่า ในประวัติการบรรลุธรรมของพระอริยสาวกในสมัยกุธการอย่างน้อยสี่รูปมีทั้งพระชายาหญิงที่พระพุทธเจ้าเมื่อรู้ว่าผู้นี้จะพึงโปรดได้แต่เขากำลังบ้าอยู่กำลังจิตฟุ้งซ่านอยู่ กำลังเป็นกข์เดือดร้อนด้วยปัญหาชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กำลังขาดความเชื่อมั่นในตัวเองเช่นเป็นเด็กจรจัดถ้าผู้มีพระภากเมื่อจะไปโสรดคนเหล่านี้ก็จะทรงใช้บุคลิกของพระองค์เนี่ยเป็นสื่อก่อนทรงทำความอธิษฐานว่า ในเช้าวันพรุ่งนี้จะทรงออกประเด็จบินระบาดไปสู่ที่นี้ให้บุคคล น, นี้เห็นและเมื่อบุคคล น, นี้เห็นก็จะเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาเพียงเพราะได้เห็นพระพักภรษพาระสดาเท่านั้นหรือเกิด ความสงบนิ่งสติสัมชาัญญะกลับคืนมาเพียงเพื่อเพียงแค่เห็นการเสด็จเดินบิณฑบาตด้วยความสงบระงับของพระศ า, าสดาเท่านั้นหรือเพียงเพื่อเพียงแค่ได้ฟังพระศ า, าสดาตรัสพักเท่านั้นได้เห็นพระพักด้วย ได้ฟังพระสุรเสียงด้วยก็ทำให้หายจากอาการวิปลาดทางจิตทันทีเช่นนางปตจราเป็นรายหนึ่งและรายอื่นยังมีอีกสองรายที่เป็นอย่างนี้ถ้าโดยทั่วไปเราก็เรียกว่าเป็นบารมีเราถึงต้องการจะชมพระบารมี ของผู้ที่มีบารมีสูงถ้าเป็นในทางโลกก็เป็นบารมีบุญบุญเก่าที่สะสมไว้ก็ยังใช้ใช้สํานึกที่ดีออกมาให้เกิดแก่ผู้พบเห็นทั้งที่บางคนจริยธรรมขนาดนั้นอาจแก่ยังไม่ดีหรืออาจไม่ดีหรือจริยธรรมบางอย่างอาจไม่ดี บางอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างในสถานีของพระพุทธเจา้าตรงถึงพร้อมได้สองอย่างด้วยบา ร, รมีบุญเก่าอันหนึง่งเหมือนอย่างคนสวยคนงามที่ คนเขาได้คุย ด, ด้วยได้ตกตาด้วยได้พูดด้วยได้เห็นด้วยเกิดความสงบส ง, งบทางจิตอันนั้นเป็นเหตุผลนางบุญแต่พระศาสดานั้นมีพลังในทางธรรมเราพบว่าหลายๆคนนั้นอาจจะมีพลังในทางวิบากก่อน แต่มีพลังในทางคาสูงเมื่อเราได้ฟังเสียงได้สนทนาด้วยหรือได้พบได้เห็นก็ได้ประโยชน์ในทางจิตใจอย่างสูงมากเหล่านี้เป็นกรณีตัวอย่างของบุคคลที่มีบารมีในส่วนของบุคลิกต่างๆกัน ถ้าเราเองมีความรับผิดชอบควบคุมเสริมสวยตัวเราเองด้วยธรรมะอย่างนี้ก็จะมีผลเรื้อกูลต่อผู้อื่นแล้วก็ต่อตัวเราเองพร้อมกันไปด้วยกันอย่างแน่นอน เมื่อเราทำจนเป็นนิสัยสิ่งเหล่านี้ก็จะฝังลึกอยู่ในบุคลิกหรือบนดวงหน้าของเรามากน้อยตามปารมีแห่งกุศลธรรมของแต่ละคนอย่างน้อยที่สุดที่เราได้แน่ๆที่พระอริยเจ้าสรงเสริญก็คือเราได้ทำเมตฆามโนกรม ทำเมตตากายกรรมที่แม้แต่อยู่เฉยๆก็ยังมีผลมีพลังตรงนี้สาแดงออกเป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อบุคคลรอบข้าง สมควรแก่เวลานะครับขอให้ทุกคนออกจากสมาธิก็ต้องฝากไปไปพ่สูนย์ทดลองนะฮะฝากไปพิสูนย์ทดลอง ผลเยอะบางคนก็บางครั้งได้ผลบางครั้งไม่ได้ผลบางคนอาจจะได้ผลน้อยแต่ผมก็บอกอยู่เสมอแล้วว่า ส, สิ่งสำคัญเนี่ยคือฐานถามทางสมาธินะถ้าเรามีโอกาสไปปฏิบัติสมาธิจิตเก็บตัวสักระยะหนึ่งเนี่ย จนกระทั่งอินเราเป็นสมาธิอยู่ตัวของสมควรนะตามระดับเท่าที่เราทำได้แล้วก็ลองลองทำดูในนั้นว่าเราออกจากสมาธิเนี่ยเราจะไปพบใครจะไปเจรจาอะไรกับใครนะแล้วก็ลองลองแผ่เมตตาเราดีดา่าทดูเพื่อดูผลอย่า ง, างเรามั่นใจได้เนี่ย แล้วก็ออกจากการสมาธิลองไปพบป่าเจรจากับบุคคลคนนั้นดูหรือแม้แต่เดยรัจฉานเนี่ยก็ได้นะครับสามารถที่จะต้องลองได้นะ อ, อ, อันนี้ว่าถึงในกรณีของมนุษย์หรือสัตว์ที่กายยาบเราสามารถที่จะพิสูจน์ได้ตรงนี้นี่ถ้าหากว่าเราทำไปในระยะยาวเนี่ย คืออย่างทีเ่เห็นจากบางคนที่เห็นกันมาตั้งแต่สนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมนานๆเนี่ยมันมีทั้งบางรายเนี่ยนั่งขัดสมาธิไม่ได้ไอ้ระบบโครงสร้างของขามันนั่งไม่ได้ทําถ้าจะมาทั้งขาอ่อนเหมือนคนปวดยกานยนั่งได้เท่าก็งงนะ ว่าเห็นทีแรกทำไม่ได้ยกตัวอย่างไ ง, อ ย, งอย่างคุณ น, นิลันแวน้วนมากแล้วก็้ามีโรคประจําตัวอะายอย่างไม่ไม่นั่งไม่ได้เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นั่งธรรมดาไปนั่งสอนบนบ น, บนแท่นแหละนั่งสบายนั่งเป็นโย่โมงอะไรนั่งเงียบทีนี้มันมีบางรายเนี่ยคือใบหน้าเนี่ยมัน เราเครียดแบบสำนวนที่พูดกันนอกวัดว่าเห็นหน้ากระดาษที่ชู้ใช้แล้วสัก ว, ว, ว, ว, ว, ว, ว่ากระดาษที่ชู้ใช้แล้วมันยีจริงอะนะฮะคือคือหน้ามันเป็นตะเก็ยบตะเกีบหน้ายูยีคือเห็นหน้าแล้วก็กุ้มใจทุกทีมันไม่ค่อยสบายใจเลยเหมือนเหมือนเห็นคนใส่บ้าเสื้อผ้ า, มาผมผมไม่ได้ดีดอะสมมติเราปลูกเมฆไซด์ได้นอกแล้วไม่ได้ดีเนี่ย เห็นแล้วมันก็ไม่ใชไม่ใช่เป็นที่ดีมงคลแกความรู้สึกนะฮะมงคลก็เป็นงีท้ทีนี้ก็อ า, า้ากเนี่ยถ้าทำํำสมาติเทําไปทำมาเนี่ยหน้ามันเหมือ น, อนคลี่เรียบขึ้นเราก็บอกเออเมื่อก่อนแล้วไม่กล้าพูดตอนหลังเราพูดได้วันนี้หน้าเนี้ใช้เตารีดยี่ห้อไหนรีนะปันญญาค็รู้อ่ะใช้เตารีดยี่ห้อไหนรีด ก, ก็คือ แต่ปกิหน้ามันยืดอจะดูดีเพราะว่าถ้าคนเนี่ยถ้าว่าหน้ามันมันไม่ค่อดีเนี่ยนะอไปขายของคนกงไม่อยากเลยเราเคยไปทานอาหารบางร้านเนี่ยไอ้คนคนขายหมายถึงอาจจะเป็นเจ้าของหรือญาติเจ้าดดของเนี่ยหน้าอีกหเนี่ยคือเขาไม่ได้โกรธอ่ะแต่ว่าหน้าเขาเป็นอย่างนั้นเราก็ค่อยสบายใจ ไม่ค่อยอยากกินเรืออาหารร้านนี้ม่ค่อยอร่อยทีนี้ถ้าแต่คนที่เขาไม่เข้าใจความคิดคือบางคนเขหนาวเป็นยังไงใจก็ดีก็มีนะคนที่เขาไม่จะไม่เข้าใจนิสัยเราเขาก็อาจจะคิดว่ามันเป็นอย่ังไงไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่มันเป็นร่องรอยของอุปนิสัยแบบนั้นที่คนสะสมไว้แล้วมันก็เลยอยู่ตัวทีนี้คนที่ มีร่องรอยในทางดีสะสมไว้แล้วพอมาถึงตอนนั้นนิสัยหาดไม่ดีแล้วมันก็อาจจะเป็นดวงหน้าที่ขัดกันนิสยัยเดี๋ยวนั้นมันก็มีนะนี่เราก็มาทำมันให้มันสมนอกสมในกันเีอยคนเขาก็มจะได้สะดวกใหญ่ขึ้นเวลาโคฟฮาระแต่ก็ต้องบอกว่า รูปพันหน้าตาเราจะเป็นยังไงเนี่ยมันไม่ใช่อาศัยธรรมะเป็นเหตุปัจจัยอย่างเดียวนะมันต้องเกี่ยวกับการพักผ่อนอาหารอ่างทีไรตรงนี้เราไม่ต้องพูดละนะก็พูดแต่ว่าธรรมะนั่นเป็นสิ่งหลักที่เข้าไปเติมพื้นฐานตรงนั้นให้มันดีขึ้นคือแค่คนคนเข้าวัดเนี่ยแต่คนไม่เข้าวัดนั่นว่าไปยืนรอรถเมย์ที่ป้ายรถเมย์เนี่ย เราก็าจะรู้สึกเลยว่าไม่เหมือนกันนะคือคนเข้าวัดที่หน้าจะเป็นประกายมันๆคือไม่ใช่มันแบบมันมีแววคือดูเป็นประกายทั้งที่ไม่ใช่เป็นคนวิวกาวเนี่ยคือไปเห็นในทางทรู้สึกแตกตาเลยอย่างอย่างคนที่เข้าวัดฟังเทศเน์ครับก็จะรู้สึกอย่างนั้นธรรมะมันช่วยแล้วก็คนที่ มาสู่ธรรมะเนี่ยมาถึงระดับสอนธรรมะเนี่ยไอ้ น, นี่ก็เป็นเรื่องแปลกเหตุเหมือนกันเนาะมันพอถึงจุดนั้นแล้วไอ้ลาสีมันจับหลายคนเลยที่ผมไอ้ตัวตัวผมไม่ต้องพูดถึงผมไม่รู้วอะตอนนั้นก็รูโลภโกรธโลกไปแค่เจ็บไปแ ต, แต่คนที่เห็นนานๆแล้วคงจะทักถูกอ่ะที่เห็นกันมาตั้งแต่นานๆแต่ว่ามีหลายคนที่ที่เป็นพวกสอนรุ่นหลังอ่าผมยกตัวอย่างเช่นใส่ชื่อนหนก็ได้นะ เป็นอาจารย์สิ่งที่มาสอนอแต่เห็นมาตั้งแต่ก็ยังไม่สอนซึ่งพอสอนนะั้นลาสีจับมันแปลกดีนะแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนเท่ยงที่สมายก่อนชื่อชื่อจูนเทปทีนี้ชื่อชื่อสังเกตไหะเปลี่ยนชื่อใหม่พราสอนธรรมะและลราสีจับมันแปลกเราก็ว่าแปลกมนะั้ยก็คืเคยทักนทะีนี้ไม่เหมือนเก่าแนะล้วราศีจับ ก็พะมาสอนธรรมะในใจมันดื่มฤทลงไปในธรรมมากขึ้นคนไปปฏิบัติธรรมะอะไร น, นะน้า ล, อลา้อคางดีถ้าถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมดาเนี่ยมันก็มันก็เป็นไปนเหมอนันนีถ้าเรารู้จักเอาสมาธิเอาธรรมะเนี่ยมาดูแลหน่อยเนี่ยนะมันก็จะดีขึ้นนะครับมันเหมือนกับว่าเราเราทำผิดอะไรทักอย่างเนี่ย แล้วก็ใส่เมตตาลงไปเอายกตัวอย่างยัดชัดเลยอย่างคนที่เขาแกะกระจกทั้งแม่ทั้งลกูกของด้วจ้กและเขางานเขาเนี่ยขายได้ราคาแพงมากเราเรียกว่าเป็นคนที่ทําศิลปะทางนี้แบบเล่นไม่งอลูกคา้าลูกค้าต้องมางอ้อเรามาเข้ากิวราคาเราทั้งแพงๆนะฮะเรามาเข้ากิวเัญญ็นยาวนี่เขาเล่าตรงฟังคุณอย่างเดี๋ยวเวลานี้ไปโบส็นเป็นเป็น ไม่จีและไม่จีแตนูนะและก็ลูกสาวก็กดงานก็ทำเป็นเาเรียกว่าในหลวงอะงโทรศัพท์ไปให้ไปทำเรื่องลำเนียง น, นะแหงวัดนิเวศธรร ม, มกวาดอะไรนเนี่เขาเขาบอกเขาเขาแก่ซึ่งเขาสอนใจธรรมะมานานเขาแผ่เมตตาลงไปด้วยนะแผ่เมตตาลงไปแล้วก็อธิษฐานจิตลงไปเลยจะด้วยว่ามุสวิม ง, งานชิดเนี่ยใครซื้อเข้าไปขอให้เห็ง ขอให้มันครั้งหน่อย <c ười> คือคล้ายๆปลุกเสกไปด้วยปลุกเสกก็เลยคนเข้าคิวกันยาวยิ่งไปบวชยิ่งโกงอากาได้เยอะนะเท่าไรเท่าไรก็ได้กี่ปีก็รอดได้บอกกอให้ทําให้ให้รับปากให้ทำให้มนคือการอทําผิดผลเรื่องเหล่านี้ให้มันออกไปด้วย น้ำมือและน้ำใจน้ำธรรมะมันไม่ใช่นั้นใจธรรมดาไอ้แค่เรารับผิดชอบธรรมดานึ่ยก็ยังดีั้งเยอะแยะแล้วเ่มาอย่างเมื่อเราเราตัดเสื้อผ้าอะไรเี้นี่มันมีได้มีอะไรโผล่ล้มแหลมมาแล้วก็ตัดแล้วก็อะไรเงี้ยนะมันยังดูมีคุณค่าทางเยอะเราไปตัดผมหนึ่งที่ก็บองเสร็จแล้วยังมุตสาถือตะกายมาไล่ห้ามข้างหลังบอกไอ้ตรงนี้มันมันยังไม่เรียบร้อ ย, อยเออเราก็ยังตื่นเต้นใจ แต่แต่บางคนนะี่มันปล่อยทรงเดช น, นะจะตามมาลวกๆให้พ้นหน้าไปก็มไม่เหียดหนุภาพคงพอสมควรกัเวลานะครับคราวหน้าเราพบกันใหม่